ไปเราทราบจึงปฏิบัติเรื่อยไปปฏิบัติเรื่อยไปทั้งทั้งที่ดีและชั่วมันก็เกิดขึ้นอยู่เป็นระยะเป็นเวลาเหมือนกันแต่ไม่หลงไหลไม่ดูติดตามความดีความชั่วของตัวไปหน้าที่ปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติเรื่อยๆอยู่อย่างนั้นผลสุดก็ไปถึงท่าน ที่หมดสงสัยอย่างที่อธิบายมาคือมันไม่มีในความบริสุทธินั้นมันไม่มีว่าดีว่าชั่วว่าสุขว่าทุกข์ว่าไปว่ามาไม่มีจิริยาที่จะพูดหมดสมมติของโลกว่าจากักมันก็หมดเรื่องหมดราวในการปฏิบัติ ไม่มีอะไรส่จะสงสัยไม่มีอะไรส่จะไต่ถามใครส่เห็นสิเป็นอย่างนั้นมันเหมือนกันหมดไลยว่าพระพุทธเจ้าองค์ที่มาสอนพวกเราในปัจจุบันที่วางศาสนาเอาไว้หรือพระพุทธเจ้าที่ปริบนิีพามไปนับับนับกันไม่ได้ ท่เห็นท่านเป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรที่จะสงสัยจะถามใครรับคนที่เห็นที่เป็นอย่างนี้มันก็จะพูดคำเดียวกันว่าความบริสุทธิ์นั้นมันเป็นอย่างไรมันก็มีมีปัญหาอะไรที่จะไปถามจะไปถามทำไมมันเห็นมันเป็นในตัวมันทราบมันเข้าใจอย่างนั้นมันจึงไม่มีอะไรที่จะไปถามและก็เข้าใจ ว่านี่คือมีหมดวีสุดที่ทำถ้าจะสมมติมันเข้าใจมันไม่มีอะไรที่เกีอยแขงสงสัยก็จะไปใส่ถามคนนั้นคนนี้มันทราบดีในความบริสุทธิ์ของตัวเนีย่ยผู้ที่เห็นทำเห็นเราแต่สาโคะเห็นอะไรเห็นความบริสุทธิ์อันนี้ทุกๆคน ยังงงเงาเต่าตุนยังสิยังเป็นปูทุกคทนอยู่ก็ปฏิบัติเชื่ออันนี้เมื่อเห็นอันนี้มันโกหมดความสงสัยหมดอะไรที่จะละจะบำเพ็ญอีกนี่คือความเป็นความเห็นของจิตซึ่งไม่เคยได้ศึกษาเราเรียนมาไม่เคยมีครูมีอาจารย์มาบอกนี่นะ คำบริสุทธิ์เป็นอย่างนี้อย่างนี้มันไม่ใช่วัตถุที่จะยกออกมาให้คนอื่นดูได้ถ้ามันมเป็นใ น, ในใจิตในใจของตัวจะสร้างขนาดไหนมันก็ไม่เขาใจถ้ามันเป็นในตัวพ้อแยมออกคำเดียวเท่านั้นท่านที่เห็นที่เป็นก็ทราบว่าคนผู้นั้นเป็นอย่างนั้นไม่มีการสงใสใ น, ในใจิตในใจของ ท่านองค์นั้นจะไปตกที่ไหนไปตายที่ไหนไม่สงสไรงไห้เพราท่านจะผิดคดําบริสุทธิ์อากับมจิริยากายวาจามันจะเป็นไปแบบไหนนั้นมันบังคับไม่ได้รูปังอันจจังรูปังอนาาัสตาบางท่านบางคนก็มีความส ง, งบหยอดเย็น คนเห็นเหลื่อมใสคงแก่สุขจะสบายตายไปคงจะบริสุทธิ์บางท่านบางองค์เวทนากลาดกายจะต้องดิ้นรนตวนกระวายกระสับกระส่าเพราะเวทนาก็อนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้รูปกูรูปฟังอนัตตาบังคับไม่ได้มันจะต้องเปลียนไปตามฐานะหน้าที่ของมันแต่จิตของท่าน จะเป็นไปตามรูปตาม เ, าเลขนาหรือไม่เราอาจจะสงสัยเพราะใจของเราไม่บริสุทธิ์ถ้าใจของเราบริสุทธิ์แล้วท่านจะเป้นไปแบบไหนใส่เธอไม่มีการสงสัยความบริสุทธิ์ของใจนั้นมันไม่อยู่ในธาตุอันนี้ในขันอันนี้มันเป็นคนละอันละอย่างจึง ม, มีการสงสัยว่าท่านจะไปชั่วไปเสีย นี่คือการฝึกยิตอารมใจแต่มันจะเห็นจะเป็นอย่างนั้นก่ออาศัยพวกเราท่านต่างหน้าต่างตาฝึกรักษาสังวรตาหูจมูกลิ้นตายใจของตัวให้ไปยินดีในยินร้ายในสิ่งที่ตัวชอบสิ่งที่โลกสมมุติระวังสังวรเอาไว้ ดูใจข้องตัวอยา่าไปเกาะไปเกี่ยวไปติดไปข้องเห็นสมมุิว่าเป็นมีมุดเห็นทุกข์ว่าเป็นสุขพยายามพิจนาสำละ ก, ลลกัดเกลียวจิตใจด้วยไจพิจนาอ น, นิจจังความไม่ตั้งมั่น ของสิ่งถั่วไฟในว่าของอยาบของละเอียดรูปลวดนามมันเป็นของอนิจจังทั้งนั้นพิจารณาเพื่อแก้ไขใจที่ไปยึดไปจิตพอพิจารณาพอมันจะเป็นอนิจจังที่ไหนกันหน้าที่ของมันเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นไปตามหน้าที่ของมันมันเป็นนิจจังเราต่างหาคือไปล้มไหลยึดถือ มันมในใตามใจปรารถนาของตัวเลยว่ามันเป็นอนิจจังอย่างนั้นอย่างนี้มันจะทราบดีขึ้นจากการที่นิพพยาาท้องตัวนี่คือปัญญามันเกิดขึ้นจากจิตจากใจกถ้ามันมเป็นไปภายในแล้วพูดเท่าไรมันก็ไม่เป็นไปได้ดังนั้นการประพฤติปฏิบัติการฟังทำจากตัวของเราเองนั้นเป็นของสําคัญยิ่งกว่าฟังจากพระพุทธเจ้า หรือจากครูจากอาจารย์คือฟังสิตสิงที่มันเป็นมันเห็นมันรู้อยู่ในจิตในใจของตัวที่แจนาไปเรื่อยๆมันจะเจกิดจา ม, มันจะเห็นจะเปลียนจะเด่นในจิตในใจคือมันไม่เป็นสัญญาที่จํา ม, มามันเกิดขึ้นจากฟันยงัง เกิดขึ้นจากจิตจากใจของตัวเองนั้นมันไม่หลงไม่ลืมเหตุการณ์ต่างๆที่เราเห็นเราเป็นเราบําเทียนเราละเราทราบจากจาการกระทำของเรานี่คือการฟังธรรมจากตัวเองจากอาัจาธ ร, ริไมใน้องไปฟังที่อื่นเพราะฟังที่อื่นจากครูจากอาจารย์ มันเป็นการเป็นสมัยจิเลตมันเกิดขึ้นได้ทุกระยะทุกเวลาไม่ว่าอยู่ในวัดในวาหรือในบ้านในช่องมันเกิดขึ้นได้เมื่อจิเลตมันเกิดขึ้นได้ทุกการทุกสมัยทุกระยะเวลาธรรมะเราเข้าวัดเข้าวาหาครูบาอาจารย์จริงจะไปฟังเท่านั้นมันเลยไม่ทํากับเรื่องจิเลตกันหาเราจะต้องพิจรณาธรรมะ ฟังธรรมะพออะไรเกิดขึ้นมาอันนี้เป็นของถีค่ควนยึดควนถือควรจิตควนข้ อ, ของหรือไม่สาเหตุมันเกิดขึ้นมาจากอะไรใจจิงไปยึดไปจิตไปคิ ด, ไ ป, ดไปปรุงเมื่อมันยึดมันจิตมันคิดมันปรุงมันให้ความสุขความทุกข์อย่างไรถ้ามันยังมีสูกมีทุกข์มันก็ควรที่จะแก่จะไข เพราะใจยังไม่บริสุทธิ์ใจยังไม่เป็นมัติมาคือไม่เสร็สายกลางแต่มันก็ฟังง่ายแต่ทํายากรักก็ดีเบียด ก, ก็ดีมันก็ทราบกันอยู่ทุกคนแต่จะไม่ให้มันเป็นอย่างนั้นมันง่ายจะ ต, ตายไปแต่มันทําไม่ได้ มันยังหลงยังยึดยังติดยังคล้องจึงควรชำระสาสางจาาึงควรพิจารณาเอาใจใส่มีสติรักษาใจมีปัญญาสอนใจพิจรารณาเรื่อยไปเมื่อเราพิจรารณาไปเรื่อยๆบำรุงไปเรื่อยๆรักษาไปเรื่อยๆความนิดหน่อยหรือความเล็ก ของมันค่อยจะใหญ่ขึ้นเติบโตขึ้นเหมือ น, นกันกับเราบํารุงส่วนไม้ที่เราปลูกฝังเอาไว้ไม่ใช่หรืมั น, ตนตโต้เติบโตมาแต่แก้วันมันเกิดมันจะต้องเล็กแียก่อนแต่ถูกบํารุงรักษามันก็จะตตโต้เติบโตขึ้นทุกการทุกเวลาผลที่สุดมันจะเป็นส่วนไม้ใหญ่แด้อาศัยลมเงาของมันดอกผลของมันนี่การ บำรุงรักษาใจการสาธิตปฏิบัติใจกัํานองเดียวกันหน่วงส่วนสติของเราก็ยังอ่อน <c oughs> ยังไม่ทันต่อเหตุการณ์สัญญาอารมณ์อะไรก็ทับผมได้เหมือนต้นไม้ที่ยังต่ำยังเตีย้ยยังเล็กอยู่ไม่ต้องพูดถึงโอง้มีดเอาขวานไปตัดเชียงสัตว์ตัวเล็กเล็กมันก็ขาดขาดแต่มันเติบโตขึ้นมาเต็มที่เต็มฐานของมัน ไม่ว่าตังเสียสัตว์เล็กๆค้างมันจะไปเหยียบไปดึงมันก็ไม่หักเพราะมันเติบมันโตมันใหญ่พอของมันมีจิตใจของพวกเราท่านก็เหมือนกันสติปัญญาที่ยังไม่กล้ายังไม่ดีเมื่อเรารักษาเราเพื่อปฏิบัติเอาใจใส่มันก็ค่อยจเจริญเติบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตาเห็นรูปหูเดียินเสียงจะมูกถูกกิน มันเคยลุ่มเคยหลงเคยจิตเคยค่องเคยปรุงเคยคิดไปอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นไปตามเดิมหรือไม่เมื่อมันมีธรรมมีวินัยอยู่ในใจทองทัวเราก็สร้าต์มันไม่จิตไม่จิตไม่ปรุงไม่ลุ่มไม่หลงไม่กอ่อไม่เกี่ยวนี่หมายถึงว่าสติของเราปัญญาของเราธรรมะของเรา มันสูงขึ้นมันเติบโตขึ้นไม่ได้รุ่มไม่ได้ลงไม่ได้ทิศไม่ได้คล่องง่ายง่ายคือจี烈ปัญหามาทำลายจิตใจได้ยากเพราะจิตใจมีธรรมะจิตใจหนาแน่นจิตใจเข้มแข็งที่มันจะเข้มแข็งมันจะหนาเนี่ยมันจะเติบโตขึ้นได้ก็อาศัยเราบำรุงรักษาอย่าปล่อยการปล่อยเวลา ให้เป็นหมันพยายามตั้งมัน่นที่นิพจานาธรรมะชำระจิตถ้ามันปุ่งปรุงออกไปมากผ็พยายามเกาะอาศัยบทธรรมะบริธรรมเอาไว้หรือจะกำหนดลมหายใจก็ไม่ผิดสิ่งใดที่จะทำจิตให้สงบได้ต้องทำพอสงบถอนมาขอพิเจานาเรื่องต่างๆ ในจิตรู้จิตเห็นตามเป็นจริงของมันถ้าหากเหน็ดเหนื่อยเมืยหิวพิจาจนาไปก็ไม่เกิดทติมีมิีไม่เกิดปัญญาอะไรในจิตในใจนั่นคือจิตอ่อนเพียจิตไม่ได้ทักจิตไม่มีสมาธิเพียงพอเขาสมาธิอีกให้สงบอีกเหมือนกันกับมีด ฟันไปนานชายไปนานมันก็ไม่คมให้สองรับอีกเป็นเรื่องสมถะวิปัสสนาไปในตัวจะทำบำเพ็ญอยู่อย่างนี้ผลดีสุดจิตใจมันก็จะเริญเติบโตขึ้นได้จิตใจมันก็เย็นกว่าสบายไม่ค่อยจะวอกแวกหลงไหลขอสละเสริญเยินยอกว่าไม่ลลง ในเผิดเพลินในลืมตัวเขาตำหนินินทาก็ไม่เสีย อ, อกเสียใจมันทราบอยู่ภายในของตัวเพราะถ้าเรามีธรรมะมันเป็นอย่างนั้นมันไม่หลงสุดไหลฝ่ายฝันในเด้ลืมเนื่ยลืมตัวทุกสิ่งทุกอย่างมันตัวตาที่แจนนะ มันตั้งมั่นยิดใจมันไม่หวั่นไหวปัญญามันโขฟาดฟันบัอนอยังอารมณ์ปัญญาที่เรลียกปัญหาสัางๆให้เบาบางสงบไปนี่คือความสุขที่นักปฏิบัติทุกคนจะประสบพบเห็นด้วยกันไม่ใช่ว่าจะเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าหรือสมบัติของพารียาเจ้าที่ท่านดับขันพรินิพพานไปเท่านั้น ตัวผมบอกเราท่านไม่มีสิทธิ์ไม่เป็นอย่างนั้นมันมีสิททุกท่านทุกคนข่าวรนาความสุขความสบายภายในเพ่งฝึกจิตอารมใจของตัวไปอย่างนี้ความเล็กของจิตคําทำไม่ตั้งมั่นของจิตมันก็ค่อยจะเติบโตขึ้นค่อยตั้งมั่นขึ้นแข็งแรงขึ้นในนี้ วิเลี่ยปัญหาหน้าไหนที่จะมาทำจิตทำใจให้หลงไหลให้เสียหายแต่เรามีสติมีปัญญามีธรรมะลดยการเวลาวันคืนเดือนปีมีโอกาสที่จะทำได้ไม่ใช่ว่า สมัยนี้ปารพิจปฏิบัติไม่เป็นไม่เห็นไม่รู้เพราะศาสนาผ่านมาระยะยาวนานมรกผลหมดไปไม่ใช่อย่างนั้นหากคนใดใส่ใจรประพิจปฏิบัติอาจทำคนนั้นจะต้องเห็นต้องเป็นในตัวของตัวเมื่อเห็นเมื่อเป็นระสบความสุขความสบายภายในแล้ว ทุกคนควรจะต้องยินดีอย า, จากจะกระทาโดยไม่ต้องมีผู้บังคับบังชาให้ศึกษาให้กระทาพอเราเห็นของดีต้องอยากได้ปาชนามันก็ติทของดีนะั้งแต่เสียก่อนจนผลที่สุดของดีเนะี่ยมันส่งเสียไปถึงที่ไหน ก็เหมือนกันกับเราจะข้ามฟ้าส่งอาศัย่อนไม้หรือเรือไปเมื่อไปถึงฝั่งแล้วใครหรอเขาจะแบกเรือ่อนไม้นั้นไปด้วยเขาไม่แบกไปเขาปล่อยมันไว้หรือจอดมันไว้ที่ท่าเถอะนะอน่าง น, นี้ใครที่จะแบกเรือหนีไปที่ไหนหนีการประพฤติปฏิบัติมันกู ต้องจิดข้องในความดีเที่ยก่อนเพราะความดีนั้นจะส่งเสียเราไปถึงฝัง่งถึงจุดหมายปลายทางพอไปถึงสุดสุดยิ่งมดุดยินจังแล้วเราทราบบุญและบาปเราไม่เอาเราไม่ล้วงไหลดีชั่วในใจมันหมดมนอย่างนั้นก็เกี่ยวว่าบริสุทธิ์ในไดน้มันจะต้องทราบต้องเห็นต้องเป็นใน ใ, นใจ แต่ยังไม่ถึงเป็หมายปลายทางกัวพยายามจะทำทำบาเพ็ญเรื่อยไปไม่มีอะไรที่จะเสียหายการทำความดีตัวข้องตัวเองก็ไม่สนิตัวเองคนอื่นผู้ทั่วไปเท่ากับสังไวเสริมในการทำดีของตัวทำดีจนเป็นสิ่งสำคัญที่ควรนำมาประดับ ความดีภายนอกเสื้อผ้าอาพรต่างๆนั่นเป็นความความดีภายนอกขอคนชั่วคนเสียพื้นแจ่งตัวรู้หลางามตาขนาดไหนเขาก็เดียวว่าโจรไม่ไว้ใจไปสถานที่ใดเขาก็กลัวขยะขยแยงแต่ความดีภายในเป็นเรื่องประดับภายในแล้วมันสุขมันสบายอยู่ด้วยกันเป็นหมื่นเป็นพันก็ไม่ทะเลาะเบาแหว่งกันเพราะจิตใจ สองท่านเหล่านั้นมีความดีมีอัตมีธรรมท่านที่อยู่เดียวกันเป็นสุขมีมากก็ไม่นอกในครูในอาจารย์ในหัวหน้าเหมือน ก, นกันกับสมบัติที่มีค่ามีมากเท่าไรก็ไม่เห็นว่าเป็นไครเป็นอันตรายเขายิ่งยากได้มีมากเท่าไร ก็เก็บเอาไว้รักษาเอาไว้ของสมบัติที่มีอยู่เป็นของมีคุณค่าทั่วไปไม่ใช่ของที่ไม่มีคุณค่าแต่หัของเหล่านั้นไม่มีคุณค่าไม่มีสาละไมนเป็นสมบัติเป็นของวิบัติเนี่ยนิดๆหน่อยๆมันก็เป็นพิษเป็นไัเหมือน เปี่ยนเนื้อหามขมแข็งเข้าไปนิดๆหน่อยๆในเค้นึนื้อเส้นหนังของเรามันก็เจ็บก็ปวดก็เป็นทุกข์นี่ความที่ไห่เป็นธรรมที่เป็นอาจธรรมอยู่เดียทั้งสองคนก็เกิดทะเลาะบเบาะแสกันไม่มีความสามัคคีไม่มีความสงบสุขอยู่คนเดียวเดี่ยวเกาะกับอารมณ์ทั้นยาต่างๆนานา ในอดีตหรือปัจจุบันมันก็ไม่สุขไม่ใชบายให้เพราะสิ่งเป็นชิดเป็นไทยมันมารบควรใจของตูวมีนั้นเป็นอย่างนี้สิ่งที่ไม่ดีที่ไม่ควรเก็บเอาไวไ้ควรรักษาเอาไว้ควรกําจัดขับไล่ให้ตกออกไปห่างไกลจากตัวเราเราจะมีความสุขตรวจตาที่เจนารักษา หาความดีมาประดับกายล า, ายาจใจพ้องชนทุกคนเมื่อนได้สดับรับฟังทำคำสอนเสี้ยที่บายมาจงนำไปที่นีิที่เจนาหากว่าสิ่งใดเป็นสาระที่จะนำความสุขนำประโยชน์มาัวนนำไปประพฤติปฏิบัติสิ่งใดที่ฟังไปแล้วคิดไปแล้วมันผิดขวโยนทิ้งเสี้ย อย่าไปคิดไปที่นี้พิ่เจนะอย่านํามาประพฤติไปที่แบบประดับกายวายใจใจฟ้องสนอย่าไปคิอว่าธรรมะที่ท่านพูดไปถูกทั้งหมดอย่าไม่นํามาพิจิตรเจนะอย่าคิอว่าธรรมะที่ท่านพูดไปผิดหมดไม่นํามาพิ่เจนะถ้าหาี่เราไปพิจิรเจนะอะไรท่านพูดไปก็เชื่อตามทำของท่าน ว่าดีกวดีกว่าชั่วกว่ชั่วไปเท่านั้นเราจะไม่เกิดสติไม่เกิดปัญญาไม่เกิดธรรมะขึ้นกับตัวฉะนั้นธรรมะที่ท่านพูดไปสอนไปก็เหมือนกันกับอาหารถึงทขาทำใส่ช่วยใส่จานสําเร็จรูปมากอดตามอาหารนั้นมันยังมีของฉีกควรเหน่ควรอยู่ในนั้นสร้างแเป็นตามันก็มี ถ้าเป็นไส่เป็นหมูเป็นเป็ดกระดูกมันก็มีเราจะต้องเลือกหาสิ่งใดที่เป็นเนื้อเราก็ทานลงไปสิ่งที่เป็นก้างเป็นกระดูกเราก็ทิ้งออกไปเสียนี่ธรรมะผิดฟูถี่ไอจารย์หรือพระพุทธเจ้าสอนมันก็มีสิ่งที่เป็นพิดเป็นพายกับตัวของเราอีกเหมือนกันฉะนั้นยิงควรเลือกเช้นทีนี้พี่เจม่ะ สิ่งใดที่มีคุณค่าถึงนำมาแนะนใจของตัวสิ่งที่ชั่วทีเสียก็โยนออกไปตกออกไปใจจะเกิดปัญญาละกิเลสได้ถ้าในที่นี้ที่เจนาอะไรท่านว่าอย่างนั้นก็เชื่อท่านไปท่านว่าอย่างนี้ก็เชื่อท่านไปปติปัญญาของตัวที่มีอยู่ไม่เกิดขึ้นนี่จะเชื่อลมฝากของคนอื่นมันกว่าเลยหนึ่งละไม่ถอนกิเลสปัญหาได้ เราะเราทุกคนจิตสนใจแต่ความละแตาแงชั่วออกจากตัวแตจงนำไปที่นิพพานเถิดแม่สอนจิตใจของตัวให้เกิดจะิตเกิดปัญญาขึ้นจากการที่นิจพาอย่าไปเชื่อแต่ลมปากของคนอื่นเท่านั้นเมื่อทุกท่านนิพพานและศึกษานำ ธรรมะไปธรนมะไปปฏิบัติอย่างนั้นจะพากันมีความสุขความเจริญจากอารปิบายธรรมะถึงแบบพอสมควรในเวลา